ก็นโมตนาสาธุแขยญาโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านเช้านี้ก็เป็นเวลาบรรยายธรรมไม่ต้องมีรูปแต่ว่าให้ฉายรูปองค์กรมปฏิจจธรรมุปบาท เอาไว้ที่จอเลย <c oughs> เพราะเคือเราพูดกันหลายเรื่องนะก็ต้องย้ำหต้องย้ำอกีกมาย้ำไม่ตายในการภาวนาของเราก็ต้องย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำนะไม่ย้ำไม่ตายต้งกระทืบต้งเหยียบต้งทุบั้งตีเอาให้น่วมเลยไม่อย่างนั้นไม่ได้กิเลสมันเหมือนกับงูพิษนั่นแหนละมันไม่ได้เลยเอาให้ตายให้ตายจริงๆเลยให้เริ่มต้นจากเอาวิชาอาวิชาคือความรู้สึกตัวนั้นะ ความรู้สึกตัวนี้มันมันมีก่อนแล้วเราจะเกิดหรือไม่เกิดโลกนี้มันจะมีหรือว่าไม่มีไอ้ตัวความรู้สึกนะพอมีสัตว์มีคนมีต้นไม้เนี่ยมันก็มีความรู้สึกกันทางนั้นแต่ว่าความรู้สึกนี้มันมันไม่เท่ากันเช่นอย่างต้นไม้อย่างนี้มันก็มีความรู้สึกนะอย่างต้นไม้เราเอาน้ําร้อนเนี่ยไปรดมันมันก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงเนี่ยนั่คือความรู้สึกทางนั้นหรือต้นไม้บางชนิดพอเราไปจับไปต้องมันอย่างนี้แล้วมันก็หุบไป อะไรไปความรู้สึกทั้งนั้นทีนี้คนมีความรู้สึกที่เต็มบริบูรณ์แต่ความรู้สึกนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นความรู้สึกที่โง่หรือว่าเป็นความรู้สึกที่ฉลาดฉะนั้นมันก็เลยได้รับปลอกคลอดออกมาจากท้องแม่หรือว่ายังอยู่ในท้องแม่ง่ายง่ายเช่นว่าหลวงพ่อบอกว่าเออมีสามีบอกว่าหลวงพอ่อผมจะมีลูกแล้วออกี่เดือนแล้วห้าเดือนหกเดือนเออ อ๋เธอทําอย่างนี้เปิดเทปนะเปิดเทปเพลงบ้างเปิดเทปของหลวงพ่อบ้างอะไรบ้างทาวัดเจ้าเย็นดีมากเปิดทาวัดเจ้าเย็นให้ก็ฟังก็ฟังนะก็ฟังก็ได้ยินได้ยินเพียงแต่มันผ่านเซนไปร่างกายนั่นแหละเรได้ยินเลยลนค่อยๆนี่ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและเด็กคนนั้นคลอดออกมาดีดีแน่ไอ้เราก็ต่อยอดเลยเราไปก็ต่อยอ ด, ด, ด นั่นคือตัวความรู้สึกทีนี่ถ้าพ่อแม่พอเด็กมันเริ่มโตแล้วข้างในยังอยู่ข้างในท้องอยู่แต่แล้วกันอะไรกันมีแต่ระหองระแหงกันไม่ดีเด็กคนนั้นก็ออกมาก็ไม่ดีนั่นแหละไม่คือความอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่ความรู้สึกทั้งนั้นเพราะนั้นตัวความรู้สึกตัวนี้เรียกว่าวิญญาณ คืตัวความรู้สึกอย่างตัวความรู้สึกทีนี้พอคลอดออกมาเห็นไหมเด็กเนี่ยพกคลอดออกมาแล้วเราก็ดูแลดูแลด้วยการตามใจเขาตามใจเขาตามใจเขาอ่าเราก็เอาเของสีแดงๆมาล่อดอกไม้ด้วยเรามาล่อเขาก็อยากได้อยากได้เราก็ให้ก็ให้ทีหลังถ้าเราล่อแล้วเราไม่ให้เขาจะล้มเขาจะวิ่วัดเรื่องนี้มันไม่ได้แล้ว เช่นเขาเห็นไฟอย่างเนี้ยอยใต้ไฟตะเกียงเมื่อก่อ น, นเขาเห็นเนี่ยเข ก, ก็อยากจะไปจับก็ไม่รู้นี่เขาก็ไม่รู้นั่นแหละว่าไฟมันร้อนก็ไม่รู้ก็ร้องวีดวาดนี่แหละทีนี้พอต่อมาต่อมาเป็นยังไงเด็กคนนี้มันยังแยกไม่ออกมันเห็นแต่สีแต่มันไม่รู้ไอ้สีนั้นไอ้สีนั้นะสีไฟยน่ยมันร้อ น, นอะไรมันไม่รู้หรอกมันก็ต้องการนี่เราต้องการที่จะสอนเขาเอาควับกระไฟไปถึงร้อน ร้นเงทีหลังก็จำได้แล้วโอ้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้จับไม่ได้ร้อนนี่ความรู้สึกมันเริ่มเริ่มเริ่มแยกเริ่มแยกออกทีนี้ถ้าพ่อแม่เลี้ยงมาตามใจเขาตั้งแต่เล็กจนโตค่อยๆตามใจตามใจตามใจอ่าพ่อแม่ตามใจใจแล้วแม่ก็ต้องไปทํางานเอาไว้กับย่าไว้กับยายยิ่งไปกันใหญ่เลยย่ายายนีนบวกสองเลยบวกบวกความรัก ของลูกเท่านี้แต่ว่าความรักของหลานเพิ่มก็อีกตั้งหนึ่งฉะนั้นย่ากับยายเลี้ยงหลานไม่ชะจังหมดหรอกส่วนมากเสียคนลูกหลานนี่จะเสียคนหมดเพราะอะไรเนี่ยทีนี้พอเด็กคนนี้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นเอ้าแม่แกยังไงอย่างเด็กบ้านนอกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากแม่นี่ปีนี้จะขึ้นมหนึ่งแล้วนะต้องเอารถเครื่องไม่เอารถเครื่อ ง, ไ ม, อองไม่เรียนนี่เอาแล้ว เอาแล้ต้องขี่ลดเครื่องไปโรงเรียนจะใกล้ไกลไม่เกี่ยวต้องขี่รดเครื่องอก็ขี่ลดเครื่องเหตมันมากมายกายโกะมันก็เที่ยวมันก็เพื่อนไม่ดีอะไรไมีดีปล่อยเรื่อยมันก็ไปเรื่อยเนี่ยคือตามใจ น, นี่การตามใจอย่างนี้หลวงพ่อเมื่อก่อนก็เลี้ยงวัววัวแก่ๆตัวหนึ่งพอกลับจากโรงเรียนเนี่ยกลับมาถึงกินข้าวกินน้าําเสร็จก็เอาวัวเนี่ยไปจูงพราในานามันจะมีข้าวที่ออกรวม เราก็เดินตามไปตามกันนาให้เขากินหญ้าปล่อยให้เชือกยาวไม่ได้ก็จะไปกินข้าวพัวจะไปกินข้าวเราต้องพอดีมันแค่ไหนนี่เอาพอดีของเราเนี่ยมันแค่ไหนถ้าเราปล่อยไอ้เชือกมันยาวมันก็ไปกินข้าวถ้าไอ้ตึงเกินไปอา้ามันก็จมูกตึงมันก็กินไม่ได้ให้เรารู้ว่าพอดีอยู่ที่ตรงไหนคำว่าพอดีพอดีนีอ่อยู่ที่ตรงไหน อยู่ที่วัวกินได้ไม่เกะ ก, กาแล้วก็ไม่ไปกินข้าวเขาเ<ม>อานี้ไอ้คาว่าพอดีเนี่ยมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางบอกไม่ได้ว่าแค่ไหนทางสายกลางก็คือพอดีเอ็นี่ชีวิตของเรานี่ต้องอยู่ในทางสายกลางตายสายตางสายกลางของเราหนึ่งอาหารสองเสื้อผ้าสที่อยู่ที่อาศัย4ยารักษาโรคพอดีไหมเราคํานวณ ว, ว่ามันพอดีไหม นี่พอดีของเราอยู่ที่ตรงไหนไส่วนมากมันย้อนยานเกินไปเชื่อปรากฏเต็มไปหมดอ๋อนี่เรือ่องเสือผ้าเรื่องอาหารการกินอะามัก็เกินพอดีอยู่ดีกินดีจนเลยโทษเตวดาอายเลยนี่อยู่ดีกินดีจนเกินไปอาหารที่อยู่ที่อาไยัยเอแค่นี้แหละยังไม่พอดีแค่นี้เรายังไม่พอดีแค่นี้เรายังไม่พอดีไม่ก็เลยไม่หยุดไม่ย้อนนั่น มันไม่มีความพอดีอยารักษาโรคหมอให้ยามาตอนมากก็เหลือเลยพอดีไปทางนั้นมันเหลือนี่มันเหลื อ, ลอของหลวงพ่อเองก็ยังเหลือเพราะว่าหลวงพ่อก้าวใจผิดเขคิดว่าเออยานี่ยาความดันเนี่ยทีนี้หมอก็บอกว่าต้องเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดแต่ตอนเย็นหลวงพ่อก็ไม่ได้ฉันตอนเย็นมันจะมีแค่สองเม็ด ตนเจ้าจะมีสีห้าเม็ดหเม็ดเป็นเจ็ดเม็ดก็พอยบางที่ยาบำรุงยาอะไรอะไรหลยาฉันยาเป็นฉันข้าวไปด้ยตองนี้เราก็ต้องรักษาว่าร like ักษาเพื่อตัวเองแล้วเพื่อผู้อื่นด้วยเพื่อผู้อื่นด้วยนี่คือความพอดีทีนี้เราเลี้ยงเด็กเนี่ยพอดีมันอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยความพอดีอยู่ที่ตรงไหนเสร็จแล้วเป็นยังไง เด็กก่นนั้น่อยๆมาๆพอโตขึ้นสิบสี่สิาเสียคนบวชเนนแล้วยังเสียคนเลยยังเสียคนเลยเพราะอะไรเพราะเราเชือกยาวเกินปล่อยเชือกยาวเกินไปปพ่อยยาวเกินไปทีนี้เออไอเน น, นี้ไม่ดีเด็กนี้ไม่ดีผลนี่คือผลเหตุมาจากไหนพ่อแมย่ยายาย <c oughs> เหตุไม่ไม่มีใคร เคยดูเหตุเลยเน้นรูปหนึ่งไปอยู่กับหลวงพ่อพักเดียวต้องตรงไปเหมือนกับว่าเอาไปเก็บตัวอีกที่หนึ่งทางเลยหลวงพ่อผมอยากได้โทรศัพท์เพบอกว่นั้นก็่อนเตอมีแล้วไปได้มันทําไว้อีกอืเห็นพระที่จังหวัดตรงข้าวก็มีโตโต้แถวๆนี้โทรศัพท์อะาทีนี้ญาก็ตามใจย่าตก็ตามใจมากจากแม่หลุดไปอยู่ที่ญาตเอไปอยู่ที่ญาทีนี้เป็นยังไงย่ามาเยี่ยม นั่นยาคือเป็นตัวเหตุมาเยี่ยมพอมาเยี่ยมเป็นช่วยคยายาอ้าบอกยาผมจะซื้อโทรศัพท์ยาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้โอนอนอย่างนั้นอย่างนี้ปล้นญ้าเลยเอาช่วยคอเอาช่ยคอมาก็เอจนได้เอาไปขายเอาไปขายหลวงพ่อยังไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ยังมาดู้ก็พูดว่าทุกคนนะช่วยกันดูแลแนนรูปนี้ด้วยนะมันไม่ได้นะในรูปนี้ตรง ก็ต้องช่วยกันดูแลอ่าก็ก็ไปซื้อโทรศัพท์มาอะไรมาหลวงพ่อก็พูดออพูดพูดก็ก็แสดงออกแต่ไม่แสดงออกต่อหน้าหรอกเพราะว่าตอนที่จะก่อนที่จะฉันอาหารนาะตักใจบาตรเสร็จแล้วทั้งพระทั้งเนนทั้งโยมวน่ยต้องพูดใ้ความทุกวันทุกวันเนนคนนี้ก็เก็บกดความโกรธเอาไว้พอเก็บกดความโกรธเอาไว้เสร็จแล้วพูดเสร็จก็ต่างองค์ก็ต่างไปฉัน เนนก็เอาโทรศัพท์นั้นแล้วควาดลงกับพื้นซีเมน์ฟังเลยบอโอ้เนนอย่างนี้เองเรู้ไหมนั่นะชอยกอของยาเนี่ยหลวงพ่อเลยจัดการให้ก็ส่งส่งไปอีกคุกหนึ่งคุกนี้ไว้ไม่ได้แล้วตองไปอีกคุกหนึ่งนี่เราต้องรู้ว่าเหตุมันมาจากไหนแล้วก็้ลมันอยู่ที่ตรงไหนผลมันอยู่ที่ลูกทางนั้นแหละ ไอ้ที่มันบิ ด, ป, ด, ป, ด, ป, ดปืดปืดปืดเที่มันขี่รถจยกตรงกลางคืนอะไรที่มันเป็นหมู่เป็นพวกเ네 น, นี่ยผลอนนี้ผลทางนั้นนี่ผลทางนั้นเลยนี่เห็นไหมนี่คือวิญญาณที่มันถูกปล่อยปล่าละเลยมาวิญญาณคือตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูความรู้สึกทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญญาณคือความรู้สึก แต่ความรู Cruise, mm. halfway, ้สึกตัวนี้ยังไม่ชัดเจนมันค่อยๆชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นมันไปในทางไหนในทางที่ดีหรือในทางที่ชั่วมันไปทางไหนได้หมดเนี่ยมันไปได้หมดเนี่ยกคือวิญญาณวิญญาณยนนี้วิญญาณอวิชชากับวิญญาณวิชชาวิญญาณอวิชชาก็คือนั่นวิญญาณโง่ความรู้สึกโง่วิญญาณที่เป็นวิชชาความรู้สึกที่ฉลาดทีนี้เมื่อ มันก็เกิดอาวิชาในแหละมาก่อนเกิดอาวิชามาก่อนแล้วก็เอาวิชานั้นมาแก้เอามาแก่ทีนี้อาหารของอาวิชาก็คือราคะโทสะโมหะนั่นคืออาหารมันที่อาหารของวิชาก็คือสติปัญญาเป็นภาษาบาลีก็อวิชาเอวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารสังขารทาให้เกิดวิญญาณวิญญาณทําให้เกิดนามรูปก็เกิดเกิดเกิดเกิดแล้ไปเกิดทุก สุดท้ายก็เกิดไปเกิดเป็นทุกข์ทีนี่ถ้าวิญญาณวิชานะวิญญาณวิชาคือวิญญาณที่ประกอบด้วยสติปัญญาเมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรเบอแปดพอนะปฏิบัติจริงจังขยันแต่ไม่ใช่ไปมุ่งว่าไอ้าได้ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปมุ่งไปอยากปฏิบัติ ด, ด้วยความอยากไม่ได้อีกปฏิบัติไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยทีนี่พอถึงจุดนั้นจักกุ้งอุตปาธิญาณังอุตปาธิ ปัญญาวตปาธิวิชารตปาธิอาโลโกตปาธิปัราบาลีหลวงพ่อสั่งเมื่อคืนว่าไอ้โยมไปสวดอาลีอามักเมืองแปดหนึ่งสองธรรมจักกะปวัตนสูตรอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหลังธรรมจักกะปวัตนสูตรก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันจักกุงอุตปาธิจักจูเกิดขึ้นแล้วแก่เราความรู้สึก ความรู้สึกรับผิดชอบนี่ดวงตาเกิดแล้วดวงตาปัญญาเริ่มพรีขึ้นมาแล้วจากกุ้งอุตปาธิเกิดดวงตาภายในญาณอุตปาทิญาณคือตัวรู้เริ่มที่จ ะ, จะรู้เริ่มที่จะแก่กล้าไม่ใจเกิดปรุงแล้วก็สว่างเลยมันไม่ได้เริ่มที่แก่กล้าญาณอุตปาทิญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาอุตปาธิ ปัญญาแก่กล้าจนเป็นปัญญาปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาอุตปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาคือปัญญาที่จะเต็มแล้วจะเต็มแล้ววิชาอุตปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราทีนี้พอเกิดวิชาขึ้นมาอาวิชาก็ต้องถอยเราก็จับวิชานี้เดี่ยวไปใส่ไปใส่ที่วิญญาณตัวนั้นเลยที่วิญญาณตัวนั้นเป็นวิญญาณวิชาเนี่ย เป็นไม่ใช่เป็นวิญญาณอวิชชาเป็นวิญญาณวิชชาพอเป็นวิญญาณวิชชาวิชชาค่อยๆเปล่งแสงค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาอย่างที่สวนยินดีทะเล ข, ของของอาจารย์ประเสริฐก็นี้เชา้าหลวงพ่อก็นั่งบรรยายทางใช้มือก็มองเห็นดวงอาทิตย์ เริ่มสร่งแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็มีเมฆเวื่อโอ้มันสวยสวยจริงๆเลยอันนี้มันน้ําไอ้นั้นก็เมฆไอ้นั้นก็แสงสว่างด้ี่ก็ๆโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโค้งแดงแจ๋เลยแม่คิดโอ้แม่ถ้าถ่ายรูปตอนนี้มันคงจะสวยจังเลยนี่นี่คือวิญญาณวิชาที่ก็ๆโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผลขึ้นมา จนแดงแจและกดรัศมีโทรแสงกลายเป็นเรียวกว่อาอโลโกตปาธิพลังแห่งแสงสว่างรู้เห็นไปตั้งจั ก, กรวาลเลยนี่เรียวกว่อาอโลโกตปาธิอาโโกตปาิจา ก, กุงตปาธิจากชูเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาังุตปาธิยานเกิดแกเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญาอัตตาปิปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาอัตตาปิวิช า, าเกิดขึ้นแล้วแก่เราอาโลโกตปาปิพลังแห่งแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรานี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าในธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนนี่งห็นไหมนี่นี่คือวิญญาณวิ ช, ชากับวิญญาณอวิ ช, ชาแต่วิญญาณอวิ ช, ชามันจะมาก่อนพอเห็นโอ้อันนี้ควยมันร้อน อย่าไปจับมันไม่ได้วิญญาณวิจามันค่อยๆมาฉะนั้นเราจะต้องศึกษาทุกอย่างโทษมันเป็นอย่างนี้คุณมันเป็นอย่างนี้เอาความร้อนมาใช้ทําประโยชน์ทําอย่างนี้อย่างนี้นี่นี่คือวิญญาณวิญญาณของวิจารหรือวิญญาณของอวิจาอวิจาเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสังขารสังขารอาวิจารนะอวิจารนะ อวิชาคือจิตโง่แล้วก็ทําไอ้เกิดจังการจังการก็คิดโง่ตอนแรกแล้วก็คิดโง่คิดโง่ก็พูดโง่พูดโง่ก็ทําโง่อหมดโง่ทีนี้ถ้าวิญญาณที่เป็นวิชาพูดคิดถูกต้องคือคิดด้วยสติปัญญาพูดด้วยสติปัญญาทําด้วยสติปัญญานั่นคือวิญญาณวิชา วิญญาณวิจา ท, ที่ออกมาแล้วที่ออกมาเนี่ยผลที่ออกมาพูดถูกต้องคิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องอะไรก็ถูกต้องหมดก็คือเรียกว่ามันจะถูกต้องหมดมีความถูกต้องหมดนั่นวิญญาณทีนี้สังขารนั้นอวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารคือมันเป็นปัจจัยต่อกันเป็นลูกโซ่อย่างนี้มันเป็นลูกโซ่อวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารถ้าวิญญาณอาวิชชาสังขารปกิด ผิดพูดผิ ด, ดทำผิดแต่ถ้าเป็นวิชาคิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องเห็นไหมนี่มันจะถูกต้องหมดทีนี้เอาเอไปวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารสังขารทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณวิญญาณตัวที่สามเราดูเลยวิญญาณตัวที่สามันเต็มเต็มทีนี้วิญญาณ น, นี้เต็มเตมแล้วเต็มเต็มเป็นวิญญาณตัวความรู้สึกที่มันเต็มเตม ตาวิชารก็วิช า, ชาเต็มเ like. ถ็มาอาวิจาก็อาวิจาเต็มเต็มมันเต็มเๆมเลยอ่อาวิชาเป็นปจัจจัยทำไมเกิดสังขารสังขารเป็นปจัจจัยทำไมเกิดวิญญาณนี่สังขารตัวนี้ถ้าเป็นสังขารของวิชาก็ไม่เรียกว่าสังขารแล้วก็เรียกว่าวิสังขารปราดจากความคิดโง่ปราดจากความพูดโง่ปราดจากการกระทำโง่มันถูกต้องไปตามหลัก ถูกต้องหมดก็เรียกว่าวิสังขารปราดจากสังขารปราดจากคิดโง่พูดโง่ทำโง่นี่เป็นญาณในในในในในวิสังขารในสังขารที่เป็นกลายเป็นวิสังขารไปทีนี้อวิชชาอวิชชานาะอวิชชาตัวแรกอันวิอวิชชาก็กลายเป็นวิชชาพอฉลาดขึ้นมากลายเป็นวิชชากลายเป็นวิชชาตอนไหน ตอนเดินคือหนึ่งสายเกิดก็คือสายเกิดทุกอวิชชาเป็นปัจจัยแต่ไม่เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยทําให้เกิดนมามรูปนี่สายโง่ก็คือสายทุกทีนี้สายหนึ่งดับทุกขที่พระพุทธเจ้าจะจะรู้เนี่ยก็คือเอาสายดับทุกนั้นํามาดับฉะนั้นจะขึ้นต้นว่าอาวิชชาญตะเววะเสสะวิราคะนิโรโธ ร, ราคะ โทสะโมหะดับโดยไม่มีส่วนเหลือราคะโทสะโมหะคืออาหารของอวิชชาเนอะดับพอดับแล้ววิญญาณ น, นั้นก็เลยเป็นวิญญาณวิชชาคือเป็นวิญญาณที่ประกอบด้วยสติปัญญาแล้วถึงว่างแล้วถึงพอเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาถึงว่างเลยถึงที่สุดนั่นคือวิญญาณ วิญญาณที่เต็มไปด้วยสติปัญญาฉะนั้นมันจะมีสองสองสองสายหนึ่งก็สายเกิดทุกสายหนึ่งก็สายดับทุกทีนี้พออวิชชาดับเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับวิญญาณโง่วน่มันจะดับแล้วเกิดวิญญาณที่รู้แจ้งขึ้นมาฉะนั้นตัวที่หนึ่งคืออวิชชาตัวที่สองสังขารตัวที่สาวิญญาณ วิญญาณ น, นี้วิญญาณ น, นี้ยมต้องเข้าใจให้หนักแน่นเอาไว้ก่อนไม่คื อ, อยังไงก็เชื่ อ, อไว้ก่อนวิญญาณคือตัวความรู้สึกไอ้นี่มีหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนว่าตายแล้วไปไหนไม่รู้ของพวว่าอก็อ่านมานานลตั้งแต่เป็นสา ม, มเณรไม่รู้อะไรแล้วตายแล้ววิญญาณไปไหนไอ้นี่มันจะมีสองอย่างวิญญาณมีสองอย่างเด้งตายแล้วเกิดสองตายแล้วศูน วิญญาณเนี่ยหนึ่งตายแล้วเกิดรองตายแล้วศูนย์เนี่ยนี่ตายแล้วเกิดแล้วก็ตายแล้วศูนย์เราต้องพิสูจน์ให้ได้การพิสูจน์เมื่อคืนนะนี่จดจดร้อนๆอนเลยเป็นยังไงเป็นยังไงเมื่อคืนนอนก่อนนอนนก่อนนอนก็เห็นมีเด็กคนหนึ่งเห็นหน้าเห็นเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้โอ้ยหน้าเ ด, ดี๋ยวดีว่าเด็กคนนั้นก็เปื่อยเน่าไป มันอะไรนญญนนนยไออนี่วิญญาณนี่ยากก็ต้องแยกให้ออกนี่วิญญาณนี่วิญญาณนี่ทีน่นี่มันเป็นอย่างไงสงศ์ใจกับใครที่มานอนที่นี่ไม่เคยแผ่เมตตาให้ก็เลยก็น่าสงศานก็แผ่เมตตาให้มากไปกว่านั้นอีกมันนอนไม่หลับมันนอนไม่หลับมันนอนไม่หลับ ท, ลทำไมจึงนอนไม่หลับเคลื่ไปกเคลื่ไปที่นี้แล้วทาไมเคลื่อนมันจะก้าวไม่ได้มันจะก้าวมาที่นี่ ก้าวมาข้าวมาดูเป็นฝันไปเป็นขวัญเบลือไปดิ่อหลวงพ่อหิวอาหารคนอา่ารมาถวายที่วัดหลวงพ่อเสร็แจแล้วก็พระก็นั่งฉันเงินทํามยตามปกติต้องถวายหลวงพ่อก่อนนี่ไม่ถวายเลยหลวงพ่ อ, อยากจะฉันแต่ก็ไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันก็ไม่เห็นหลวงพ่อเลยอะไรเลยนี่วิญญาณ น, นั้นแหละมันมาปรากฏให้หลวงพ่อเห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้น ตายแล้วเกิดแล้วก็ตายแล้วศูนนี่มิจฉาทิฏฐิทั้งสองอย่างนิจฉาทีฏฐิทั้งสองอย่างเพราะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่เราก็ไมเ่เอาเกิดใหม่แล้ววิญญาณนนะั่นแหละมันเกิดใหม่เราก็ไม่เอาตายแล้วศูนย์เลยมันก็ผิดผิดทั้งนั้นทีนี้เราเนี่ที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้เรามีวิญญาณทั้งนั้นงั้นเราจะทํำยังไง ต, ตายแล้วเกิดเราก็ไม่เอา ต, อตายแล้วศูนย์เราก็ไม่เอาเราต้องปฏิบัติทำให้วิญญาณตัวนี้มันดับให้มันดับแล้วดับแล้เป็นอะไรดับได้ศูนย์ไม่ใช่ดับแล้วเกิดใหม่ไม่ใช่เราก็ไม่เอาดับความรู้สึกว่าตัวกูเสียดับความรู้สึกว่าตัวกูเสียว่าวิญญาณ น, นั้นเกิดดับแล้วก็ว่างจากตัวตนมันไม่มีตัวตนจริง ที่นี่วิญญาณที่เราเข้าไปยึดถือมีตัวตนมีตัวตนจริงความรู้สึกนี่มีตัวตนจริงเอาไปเ อ, อาความรู้สึกว่ามีตัวตนจริงความแก่ออกมาแล้วออกมาเป็นของกูแล้วแล้วมันออกมาเป็นของกูแล้วไอ้ความแก่นั้นมันก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ไปได้ไหมไม่ได้เบรกยังไงไม่มีทางอยู่ความเจ็บเป็นของกูผิดอีกความตายเป็นของกู ไปเป็นทุกข์ไปเอาความแก่มาเป็นของกูเป็นทุกข์ไปเอาความเจ็บมาเป็นของกูเป็นทุกข์ไปเอาความตายมาเป็นของกูเป็นทุกข์นี่คือวิญญาณที่เห็นผิดที่เห็นผิดทีนี้ไอ้ยิ่งว่าตายแล้วศูนย์ก็มิจฉาทิฏฐิตายแล้วเกิดก็มิจฉาทิฏฐิเกิดก็ไม่เอาศูนก็ไม่เอาให้ดับวิญญาณที่ดับแล้วเนี่ยวิญญาณอรรก็เข้าสู่ธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ว่างสงบเย็นนี่ เป็นวิญญาณที่สงบเย็นแต่ว่างสงบเย็นแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันเข้าเป็นธรรมชาติเต็มที่แล้วเป็นธรรมชาติเต็มที่คือทุกอย่างมันจะอยู่อย่างนี้มันหมุนอยู่อย่างนี้มันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตามธรรมชาติทีนี้เราให้ธรรมชาติไปเฉยเลยไม่ใช่ของกูอย่าไปโกงเขามีภาพเซนอยู่ภาพหนึ่งคนนั้นก็ไปหาอาจารย์ ไม่ได้จ่ายมากเกินเวลาไม่พอไปห า, าจารย์โน้นที่หลวงพ่อสอนนี่มันมากเหลือเกินไม่ทราบจะปฏิบัติยังไงเอาเด็ดๆดถักประโยคหนึ่งก็พอไอ้นี่พอดีมันมีน้ำอยู่ในขวดอาจารย์ก็บอกว่านั้นอะไรน้ำครับโน้อนอะไรเมฆแค่นั้นเองวิญญาณ น, นั้นก็รู้เลยวิญญาณของ องพระนั้นที่ท่านสงสัยน่ะวิญญาณนัอ๋อมันมีอะไรไม่มีอะไรจริงเลยเดี๋ยวก็เป็นน้ําอยู่ในขวดน้ําในทะเลน้ําในคลองน้ําในหนองน้ําในบึงอยู่ที่ตัวเราน้ํามูกน้ําตาน้ําหลายน้ําเหลืองน้ําเหงื่อน้ำอะไรน้ําทั้งนั้นน้องแนี่อะไรน้ํานั่นอร่ออย่างเมกแป๊บเดียวอ๋อตาแจ้งเลย อรอย่างนั้มันไม่มีอะไรจริงเลยแต่อยู่อย่างนี้เรียกว่าน้ํานี่น้ําเค็มนี่น้ําปัสสาวะนี่น้ําแกงน้ําแก่งจืดน้ําแกงเผ็ดน้ําแกงส้มน้ําน้ําน้ำนน้ําอะไรน้ําในทะเลน้นอะไรเลยน้ําอะไรก็ตามมันละเหยละเหยแล้วก็เป็นไอยเป็นออแล้วก็เป็นเมฆเป็นเมฆแล้วเป็นขวนเป็นฝนแล้วก็เป็นน้ําทุกอย่างมันอยู่อย่างนี้เลยมันอยู่อย่างนี้อยู่ ไม่มีอะไรจริงเลยอยู่อย่างนี้แหละมันอยู่อย่างนี้ทางนั้นแหละอะ๋อนิทานซอนิทานอีกมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งบนเตียงนั่งบนเตียงทีนี้ก่อนเขาเอาไอ้นั้นแนี่ห น, นังควายอะเมื่อก่อนมันเรียกว่าเชือกอะมันไม่มีไอ้พลาสติกมันเราในสมัยนี้เอาหนังควายแห้งนะมาควันทําเป็นเชือกมันเป็นเชือกมีสุ น, นักตัวหนึ่งอ่ะที่เขาเลี้ยงอะนะอยู่ใกล้ใก เขก็กวันเชือ่อกวันไปกวันไปอานนท์นก็ได้โอกาสก็กินไปกินไปกินไปกินไปกินไปอันี้ไอ้กินเนี่ยยังไม่พอคิดว่าเรานี่เกิดมาเป็นหมานมื่อเวีนกรรมหรือืนเกิดเป็นอย่างอื่นได้ไหมเกิดเป็นอย่างอื่นได้ไหมมันก็เลยพอคิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นคิดอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นบอกว่าเออเกิดเป็นดวงอาทิตย์ดีกว่าอะเอาเป็นดวงอาทิตย์ไม่มีใครเบียดเบียน เป็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาเอาเมฆบังเองโอ้แลวกันไม่เอาแล้วเป็นดวงอาทิตย์เป็นเป็นอะไรอีกอะไปไปม า, ม, ามันยาวนี้แต่งบอกว่อเป็นหัวปลวกดีกว่าพอเป็นหัวปลวกก็ลมพัดก็ไม่เป็นไรอะไม่ลมพัดไม่เป็นไรจริงแต่ก็ล่ามควายเอาวไว้ที่ไกลๆหัวปลวกก็หมาทหัวปลวกนั่นอะไอ้ควายมาทอหัวปลวกมาขุดหัวปลวก จนฟังอยียอ๋อเป็นหัวปลวกก็ไม่ดีเป็นควายดีกว่าพอเป็นควายอ๋อเป็นควายตอนแรกแรกก็ก็ียังดีพอแก่ก็ก็หลงเชือดอ้าวเป็นควายก็ไม่ดีอกีกพอก็้าหลงเชือดแล้วก็เถือหนังหนังออกมาควันเชือกอีกแล้วควันเชือกก็หมาก็กินอย่างนั้นเองก็ไปไปมาวะเป็นหมาตามเดิมดีกว่านี่เห็นไหมเป็นหมาตามเดิม นั่นแหละมันอย่างนี้มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยมันเป็นอย่างนี้ด้วยธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมันอะไรทางนั้นเลยยึดมั่นถือมันอะไรไม่ได้ทีนี้วิญญาณะวิญญาณผีวิญญาณผีก็มีเยอะแยะมีเยอะแยะก็เรียกผีทางนั้นเทพก็เรียกว่าผีพรหมก็เรียกว่าผี คนทันก็เรียกว่าผีผีก็เรียกว่าผีผีทางนั้นผีท้งนั้นทีนี้ผีมันก็มีหลายระดับผีกินเล้าผีกินไก่ผีเทพผีมีหลายผีมีหลายผีนี่มีหลายผียผยผนี่ผีก็เน่นก็เรียกว่าวิญญาณผีแต่ว่ามีมีหลายประเภทถ้าหลวงพ่อจะพูดความจริงให้รู้ว่า ่อนที่หลวงพ่อไปสร้างสำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพตหากันตอนนั้นออกจากสวนโมกแต่ก็ยังไม่ออกแท้วิงหาข้างนอกไปมาเชียงใหม่มากรุงเทพที่กรุงเทพกนะ็มาเนาะมาหลวงพ่อเคยอยู่มากรุงเทพมากรุงเทพมีโยมคนหนึ่งก็เป็นหมอบอกว่าลองดูที่นี้ก่อนนีอยู่ทางสายโน้นสายข้างนอกนาะสายข้างนอกก็นะ ก็มีที่ดินตรงนั้นเขาแก่แก เ, เป็นหมอแกร่ํารวยแกร่ารวยร่ารวยฉโนดให้ร่ํารวยกระดาษฉนดแกก็อยากให้หลวงพ่ออยู่ที่คือเพราะว่าหลวงพ่ออยู่จวนโมกตอนที่หลวงพ่อไม่บวชหลวงพ่อบวชครั้งหนึ่งครั้งแรกบวชได้เก้าปีก็เก้าปีได้เรียนบาลีเรียนนักธรรมมาอยู่กรุงเทพแล้วก็เบื่อแล้วก็ออกไปจึกเลยพ อ, อจึกเลยที่นี้ก็ จึกเราไม่ได้จึกเฉยๆหรอกจึกทํางานนั้นทํางานนี้ทํางานโน้นทาไปทํามาไปอยู่ลานขายผ้าว่าอยู่ลานขายผ้าของแขกของแขกอินเดียเนาะทีนี้หลวงพออ่อไม่เห็นมีความสุขเลยนาย่างเองกัมือกายหน้าปากอยู่เราเป็นบ้ามันทําไมหลวงพ่อก็หาทีนี้ว่าข้าวที่เดิมดีกว่าแต่ก้าวที่เดิมนี่ต้องหาแต่ไม่ใช่วิ่งหาไม่ต้องวิ่ง อ๋าบวงคนนี้ถามว่าคนนี้มาจากไหนคือหลวงพ่อพอยู่วัดใหญ่ตอนนั้นมาจากอย่างนี้มาจากนาครมาจากสระตูลมาจากนาราธิวาสก็ถามที่นั้นมีพระดีๆไหมมีพระดังๆไหมเหลวไหลทางนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้บอกก็ว่าไม่ใช่เรารู้เองทีนี้ก็อีกที่หนึ่งเขออู้นี่คือมีเพื่อนที่เป็นพระยังมีกันอยู่ตอนนั้นเพื่อนที่เป็นพระ โอ้ยท่านมหาท่านมหาก็ยังเรียกมหานี้ยแหละคนที่ก็เป็นมหาแล้วถึงศึกไปแล้วก็คนเรียกมหาโอ้ท่านมหาท่านมหานี่หนังถือเล่มนี้กู้มือมนุษย์ดีนะของท่านอาจารย์พุทธทาสโอ้เออก็เอามาเอ า, เอามาอ่านพออ่านเสร็จแล้วกโอ้ไม่ต้องห่าแล้วอาจารย์แน่นอนเลยพระองค์นี้ลานายฮ้างอีกเจ็ดวันผมให้เวลานายห้างผมจะไปลแล้ว จะไปไหนไปที่เชยาไปที่สวนโมผมจะไปบวช ท, ที่นั้นไ้สักเมืองบ้าแล้วว่าไม่บ้าก็ไปดูก่าแล้วกันเสียดายแกตายไปแล้วตนนี่ก็ตายไปแล้วนี่เขาเป็นนาย่างใหญ่ก็ไอ้ผ้าหลาผ้าเม็ดเนี่ยแหละหลวงพ่อ ก, ก็รู้เลยเรื่องผ้าเรื่องอะไรก็รู้ตัดผ้าอย่างนี้ตักดกลยจบ <c oughs> ก็พับพับพับพัวกนี้แต่ถ้าก็ชื่อเป็นไม้เป็นไม้ในที่ไหนฮะไม่ใช่ใาที่หลวงพ่อหลวงพ่อกายปลีกเนี่ยตามกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยจนเบื่อตกลงวันนี้แหละมาอยู่ทวนโมกที่นี้อยู่ทวนโมสิบปีสามเดือนสิบห้าวันกว่าหลวงพ่อจะได้บวชมันซึมซับซึมซับซึมซับซึมซับกันไปอะพอถึงเวลาเพราะว่าหลวงพ่อหนึ่งรับแขกสองควบคุมการก่อสร้าง ทีนี้รับขกลียดรั บ, ร, บรู้จักคนจนทุกจังหวัดรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ใหญ่ก็ภัยแม่แต่นายกรัฐมนตรีสัญญาธรรมศักดิ์นี่หลวงพ่อก็ต้อนรับเมื่อก่อนท่านยังไม่เป็นนายกเวลาหลวงพ่อเข้ากรุงเทพเนี่ยตอนนั้นก็ลถไฟมาหัวลำโพงอาจารย์สัญญาก็ไปรับรับมาที่บ้านของท่านอย่างนี้มาตุลากรุงเทพนี่เนี่คือรู้จักคนมาก ดันั้นหลวงพ่อจะไปอยุธยาไปเชียงใหม่ไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปหาพื้นที่ไปหาพื้นที่ไปหาว่าที่ตรงไหนที่จะเป็นที่สร้างวัดสร้างวาได้ทีนี่พูดกันเรื่องเทพหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็ไปที่หนึ่งคือไปที่ตรงไหนบางทีก็ไปนอนที่ป่าชาโอ้ยนอนที่ป่าช้านั้นนอนไม่หลับเลยมันระแวงมีต้นตาลอยู่สี่ห้าต้น นอกนั้นก็มีต้นไอ้มะขามต้นอะไรก็ไปนอนอยู่กลางทุ่งนาะนอนไม่หลับเลยที่นั้นอันนี้ก็ไปอีกที่หนึ่งไปอีกที่นึงเป็นวัดพระหลวงตาเป็นสมบานนอนนอนที่นั่นสามคืนคืนที่หนึ่งก็นอนชั้นล่างคืนที่สองชั้นบนแขกไปแขกมามันไม่สะดวกหลวงพ่อก็เลยถามท่านสมบานว่าเออชั้นบนนี่มีใครนอนบ้างด้านบานไม่มีใครนอน โน่นมนต่านมหาเด็กขึ้นไปนอนกลางบนได้พระก็ไม่กล้านอนก็กลัวผีเ น, นี่ยนี่หลวงพ่อขึ้นไปนอนเนี่ยริมทะเลริมทะเลเอาวไทยนั่นแหละหลวงพ่อขึ้นไปนอนก่อนอนทุกครั้งหลวงพ่อกดกราบไหว้พระเสร็จอะไรเสร็จก็กราบนะติดฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าพบสถานที่ดีๆพบสถานที่ดีๆ ในการปฏิบัติเองด้วยในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยอย่างนี้ทุกครั้งทำอย่างนี้ทุกครั้งที่แรงอธิษฐานมันค่อยๆแก่กล้าก้าวแก่กล้าข้าวจนคืนนั้นนิมิตเลยทีนี้นิมิตเขาเห็นสถ า, านที่สำนักวิปัฒนาวังทันติวันพธุธที่หลวงพ่อไปสร้างมาสี่สิบปีนี่สี่สิบปีแล้วเดือนกุมภาเดือนกุมภาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เก้า วันที่23ามนี่ครบ40ี่ปีพอดีเลยหลวงพ่อไปสร้างวันที่23ามกุมภาพันธ์พศสอง8เห็นทุกอย่างที่นั้นนี่ในนิมิตเห็นทุกอย่างแล้วหลวงพ่อเที่ยวตามหาอยู่เป็นปีกว่าจะเจอนี่มันอะไรเนี่ยแล้วใครใครเนี่ยใครที่แนะนำให้หลวงพอ่อมาที่นั้นนี่นนี้ก็คือวิญญาณเทพนั่นแหละ เรียกว่าวิญญาณเทพนี่นี่เทพนั้น <c oughs> ก็ไปนี่เกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาดได้หน้อยน่อยหนึ่งวิญญาณเทพนั้นแหละเพราะว่าที่นั้นเป็นยังไงเวลามีอะไรขึ้นมาเพราะว่าหลวงพ่อตามามาจะไม่คนอิ่มเอาตามามาชวนคนอิ่มไว้หน้าวัดแล้วก็จัดก็จักชวนคนที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิ ให้มาเป็นคนตรงประจําประจําทุกปีแหละเอ็นี้เป็นยังไงวันหนึ่งเขาก็มาถวายเทียนปรรษาก็พรุ่งนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วถวายเทียนหลวงพ่อก็บอกว่าเอา้าอย่างนั้นก็ตั้งธรรมะที่หน้อยดีเวลายังเหลื อ, อโอ้เสร็จแล้วก็เ ข, าข้าทรงก็เข้าทรงอ่าก็เข้าทรงหลวงพ่อก็ถามว่านี่ละใครอ่ะก็บอกว่าก็เป็นเทพที่อยู่ที่นี้ แต่ก็ไม่บอกนี่หลวงพ่อก็ถาบอกอ๋อหลวงพ่อก็ถามเรียกเรียกทวดอะเทพก็เรียกว่าทวดทวดเนียทําไมหลวงพ่อนี้ต้องลําบากเหลือเกินเนี่ยมาอยู่ที่นี่มันจะตายแล้วลําบากมันจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่แล้วออกทวดตัวอย่างนั้นนี่ทวดก็ไ่วทวดเอาก็ที่นี่เป็นที่ของพ่อหลวงนี่เนี่ยก็เรียกพ่อหลวงที่ของพ่อหลวงนี่แล้วพ่อหลวงเอา ชีวิตมาทิ้งทีน่นี้เกิดทีน่นี้ตายทีน่นี้จนกระดูกฝังรอบภูเขานี่แล้วภูเขานั้นมันเป็นกิโลแหละเป็นกิโลกว่าๆเนาะภูเขาอยู่กลางเมืองนาะหลวงพ่อโอ้ยคนพองเลยคนฟองอตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นนมันไม่ไหวเลยมันไม่ไหวเลยอย่างนั้นตายอย่างนี้ที่นี่แล้วตรวจอกว่านี่เขาเน่ะ เขามารอหลวงพ่ออยู่ห้าร้อยปีแล้วนมารอพ่อหลวงอยู่ห้าร้อยปีแล้วเขาว่าอย่างนั้นเพราะมันไม่เท่าไห้าร้อยปีก็ห้าหกชั่วคนแค่นั้นเองทีนี้หลวงพ่อก็บอเอ๊แะแล้วมันทํำมอยแล้วจะรู้ได้ยังไงแล้วก็มารอหลวงพ่อนี่ซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็มารออยู่ที่สถานีมันก็ต้องรูตง้ต้องมีอะไรเคล็ดลับหลวงพ่อก็โยงใหญ่อ้อหลวงแม่บอกว่านี่นะ ลูกคนนี้ก่อนที่เกิดนะของแม่ฝันว่าได้ดอกบัวสองดอกของพ่อก็บวชเนรบวชเนนแล้วอะไรแล้วบวชระในไรครั้งก่อนแล้วก็แก้ไม่ออกทักทีหนึ่งยังไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอ้าเหลืออะไรอย่างนี้เหลือทํำยังไงนก็คิดอยู่เรื่อยดอกบัวสองดอกนี่คิดอยู่เรื่อยไม่ใช่ดอกบัวคู่นะ ไม่ใช่ดอกบัวคู่ดอกบัวกู่นี่ยกูกลายยาเขาแต่นี่ดอกบัวสองดอกโยมแม่ก็คิดว่าเออลูกคนนี้ที่อยู่ในท้องมันต้องวาแวดแน่แต่เสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่นี่โยมแม่ก็บอกว่านี่ตั้งแต่เริ่มติดท้ทองขึ้นมานี่กินแต่เกสอนดอกบัวเกสอนดอกบัวเกสอนดอกบัวอ้าเป็นอย่างไงแต่แล้วจนคลอดมาก็ไม่มีอะไรท่านก็จํามาแล้วก็ บอกให้หลวงพ่อควังอย่างนี้สวงพก็แก้แก้แก้แก้แก้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้จนบวชตื่สวนโมปฏิบัติไปอะไรไปมันก็ยังไม่ถึงเรื่องชานไม่มีทางไม่ถึงหรอกมันต้องยกขึ้นสู่ญาณน่อยจึงจะได้จึงจะรู้ตามความเป็นจริงอ้าวทีนี้ก็มาอยู่ที่นี้ มาอยู่ที่สำนักวิปัสนาวังทันติมันปรากฏทำๆๆๆๆๆงานไปปรางปฏิบัติไปปรางทำงานไปปรางปฏิบัติไปปรางนี่จนว่าเกิดจักปุงอุตตปาติญาณอุตตปัติปัญญาอุตตปาติวิจาอุตตปัติอาโลโกตุตปาติบอกโอแค่นี้เองนี่ดอกบัวสองดอกบานแล้วต้องทำของตัวเองให้บานก่อน ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในบานที่หลังสองดอกอย่างนี้เอ ง, เองทีนี้ทําไมก็ต้องมารออยู่มารอห้ารอ้อยปีแล้วไม่ใช่คนเดียวนะไม่ใช่เทพคนนี้คนเดียวเทพที่เป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งเขาเป็นลูกเจ้าเมืองสมัยก่อนเขาใหญ่โตเป็นลูกเจ้าเมืองทีนี้เขาก็เป็นไงเขามาข่าชงอีกก็บอกโอ้ยไปาชง การตรงกัอาใจร่างคนนั้นแหละก้าวตรงบอกการตรงก็นโลง่ง่ายใหญ่เลยบอกอ้นี่พระพี่เขาจะเรียกพระพี่พระพี่นะคนที่มาควางเนี่ยนะใครอย่ามายุ่งกับพระพี่นะแต่ใครจะทําร้ายพระพี่นี่มาทําร้ายฉันจ้าแม่ปุผานี่แหละที่ภูเขานั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีเทพอยู่ใครจะขึ้นไปหาคืนไปหาอะไรต้องกราบต้องไหว้ก่อนจึงจะขึ้นไปได้ ทำไมอย่างนั้นจะมีเหตุอย่างนั้นอย่างนี้อีนี่เป็นยังไงก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห่ร้องไห่ก็บอกว่าเขาเป็นน้องสาวของหลวงพ่อในชาติโน้นชาติโน้นชาติโน้นเป็นลูกเจ้าเมืองเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็เป็นลูกจังเมืองด้วยดีแต่อย่างนั้นก็เป็นพี่ชายเขานี่หลวงพ่อก็ไม่เชื่อไม่เชื่อบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นจริงก็มาให้หลวงพ่อเห็นถ้าหลวงพ่อไม่เห็นหลวงพ่อก็ไม่เชื่อ หลวงพ่อบอกฉันฉันเจ้าเจ็ดก่อนนั่งธมาที่มาก่อนงานมันไม่มากฉันเจ้าเจ็ดก่อนนั่งฉันเจ้าเจ็ดก่อนนั่งมาแล้วสองคนเดินกันมาเกี่ยวก้อยกันมานี่เนี่ยก็สบอยเสียงเป็นผ้าเอา่อสีตองอ่อนแลนุ่งผ้าสิน้นสีตองแก่แบบในวังก็นั่นแหละในวังธรรมอยุทธยานุงธรรมยวยุทธยาเ น, นี่ยเดินเกี่ยวก้อยอออย่างนี้เอง อย่างนี้เองทีงนี้เขาเห็นจริงว่าเห็นอย่างนั้นจริงเหรอแคงไงมีอยู่คือนายกเทวธรรมดีคนนั้นสามสมัยแล้วก็คือช่วยเหลือกันกันกบหลวงพ่อเพราะตอนนี้หวงพ่าก็เลือกสมัยที่สามนี่หลวงพ่อจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้อตอนนั้นก็มีโทรศัพท์มือถือยังไม่มีสมัยนั้นมีโทรศัพท์บ้านก็โทรถามไป อ๋อว่เป็นไงนับคะแนนเสร็จแล้วยังก็บอกว่ายังไม่เสร็จสามทุ่มเลยก็ยังไม่เสร็จสี่ทุ่มเลยก็ยังไม่เสร็จอ๋อไม่ใช่หลวงพ่อนอนนี่ขนาดนั้นรนะู้เองไอ้พรุ่งนี้เช้าอะ่ะเป็นยังไงหลวงพ่อกนนอนพอนอนพอหลับต่นนั้นตรวจมาแล้วตรวจตรวจมาพอตรวจมาตรวจมาถึงก็มีกระดาษแข็งๆกระดาษแข็งๆทำเป็นสี่เหลี่ยมศูนย์ศูนหนึ่งนี่เหมือนก็บอกหัวยอย่างนั้นแหละแต่ว่าคนสมัยก่อนก็ จะเอาศูนไว้ข้างหน้าคือเคล็ดลับอะเอาศูนไว้ข้างหน้าศูนย์ูนย์หนึ่งก็หมายความว่าหนึ่งศูนูนรอยเปอร์ซต็มแล้วก็เอาเอาเอ า, เอาเชือกสายได้สายได้ที่ที่ทางไปเนที่ขาวสีแดงมาก่อนเนี่ยเอามาปูกแล้วก็แล้วก็เขียนศูนย์ูนย์หนึ่งก็ให้หลวงพอ่อเพราะว่านี่แหละเอาไปกรองโคให้ ก็องก้ไอ้คนนั้นไอ้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่สำนักงานนั่นแหละี่เขาบอกอย่างนั้นเขาบอกอ๋อตื่นขึ้นมาว่าเอใช่ได้แล้วได้อย่างนั้นได้ได้ไดไดนายยกแน่ครั้งที่สามได้ได้ทีนี้หลวงพ่อก็ น, นอนก็นอนเพ่ปเดียวหลับไปแค่นั้นเองหมาอีกแล้วใครมาจะแม่ปูฝามาเพมาตืงนก็เหมือ น, นั่งกลางของพ่อตรงนี้ตอนนี้ไม่ไม่สบายแล้ว ใช่ชื่อที่ขาวชุดขาวนี่แค่นี้มือแค่นี้แล้วก็มีอะไรที่บ้านๆอ่ะก็ก็ถือไอ้ น, นั้นมาถือถาดถาดเงินมีขนมข้อไมา้หางยาวๆแก ค, ค่นี้มาถึงก็ว่ากมานั่งใกล้หลวงพ่อหลวงพ่ อ, อผู้หญิงนั่งใกล้ไม่ดีเราเป็นพระว่าแต่แล้วก็วอไม่เป็นไรเราเ็น้องสาวเราเองเขามาทำมํำอะไร ก็มาใส่บาตหลวงพอ่อก็จะหลองว่าได้แล้วหลวงพ่อนายกเทศมนตรีคนนี้ก็เลยมาใส่บาตนี่เห็นไหมพอหลวงพ่อบอกให้เห็นมันก็เห็นดันนั้นนั่งธรรมทิก่อย น, นี่ไม่ต้องธรรมทิศเนี่ยก็ให้เห็นในในนิมิตในนิมิตนี่คือน้องสาวเพราะฉะนั้นที่วัดหลวงพ่อเนี่ยนะวัดหลวงพ่อเนี่ยออใครปฏิบัติธรรมนี่หรือว่าหลวงพ่อพูดธรรมาเนี่ยก็จะมาฟังเต็มแหละ แต่ไม่มีใครเห็นหรอกถ้าคนที่มีเซนเนี่ยถ้ามีเซนอ่าพอเสร็จแล้วไห้นั่งสมาธิเสร็จก็แล้วใครที่มานั่งกางขอดจุดเก้าสีห้าคนบอกว่านูนพวกนั้นทางนั้นแหละพวกคนทันทางนั้นแหละทางนั้นแหละทีนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงวันหนึ่งอ่าพอที่บอกว่าก็มาถวายเทียนปรรษานั่นแหละไม่กล้าคือทวดอ่ะไม่กล้าไม่กล้าบอกหลวงพ่อหรอกเกรงใจ ก็เลยบอกคนตรงเลยมากัดซิกบอกกัซิบอกหลวงพ่อนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนเราเป็นลูกของท่านนี่เป็นลูกของท่านเป็นลูกของท่านทีนี้คนตรงนั้นก็พอออกแก้วนั้นก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่านี่ถ้าเป็นพ่อของหลวงพ่อจริงในชาติไหนก็ตามต้องให้หลวงพ่อเห็นจึงจะเชื่อว่าอย่างนั้นหลวงพ่อไม่เชื่อหลวงพ่อไม่ได้เชื่อง่ายๆเขาก็มาให้เห็น พอมา้เห็นเนี่ยนุ่งชุดขาวนวดครายาวแล้วก็ขาวหมดขาวหมดทีนี้สังเกตว่าเมื่อก่อนคือเจ้าเมืองหรือว่าอะไรปรกอบกาเกษียณพอแก่แล้วเขขึ้นปฏิบัติธรรมที่บทนั้นพอปฏิบัติธรรมแล้วเป็นยังไงได้ฌานได้แค่ฌานได้แค่ฌานก็ติดฌานที่ติดฌานพอติดฌานเนี่ยได้ฤทธิ์เนี่ยก็ได้ฤทธิ์ วันดีคืนดีไปที่ตรงนั้นเน่ยมันจะมีเรือนจําอยู่ใกล้ๆวันดีคืนดีแสดงฤทธิ์ออกมาโน่นเท้าหนึ่งอยู่บนภูเขาอีกเท้าหนึ่งเหยียบลงไปที่ตรงกลางเรือนจําเลยนี่ใหญ่โตขนาดไหนแสดงฤทธิ์แสดงฤทธิ์ออกมาแล้วนี่แล้วก็จัดแสดงแสดงวางที่ก็โยมเชียแล้วก็ทําธรรมาีิก็เป็นงูก็เป็นงูดูด ัว อ, อยู่บนยอดเขาหางมาอยู่ใกล้ๆโยมชีออหางมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ <ๆ S 1> ทําเป็นตัวนี่แหละทําเป็นขั้นบันไดทําเป็นขั้นบันไดให้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไ ป, นไปให้สูงถึงยอดอาลีอามักเนี่ยอาลยอามักมีองแปรคือปฏิบัติเดินเป็นขั้นขั้นขั้นขันขันขันขั้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นนั้นนี่คือวิญญาณวิญญาณ วิญญาณที่เรียก ว, ว่าแสวงหาที่เกิดอยู่แสวงหาที่เกิดแต่นี้เขาต้องการที่จะยกระดับจิตของตัวเองเนี่ยให้เข้าถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นอันถูกต้องเพราะาได้ฌานแลว้วก็ไปยุ่งในเรื่องฤทธิเรื่องฤทธิเรื่องฤทธิ อ, อ, อยู่อย่างนั้นเอาแต่แสดงฤทธิอยู่เอาแต่อะไรอยู่เนี่ยไปก้าวผู้ก้าวอะไรอยู่อย่างนั้นนี่ยังติดเยอะแยะ อย่างนี้มีเยอะแยะหมดอยางนั้นผู้ที่ได้ชานวชฌานไม่เสื่อมตายแล้วก็ น, นั่นแหละไปเป็นเทพกลายเป็นเทพทีนี้ที่หลวงพ่อนิมิตนั่นก็คือเทพนั่นเองเขาไปข้าวขั้นแล้วให้หลวงพ่อเย็นหัวหากันจนเวียนหัวใกลจะเจอเนีย่ยกว่าจะเจอพอมาถึงเจอรู้จากอุยเย็นวาบเลยว่าถึงข้างหน้านี่เย็น ว, าว้าบมันยาวเรื่องนี้ยาว เพราะย็นว่าหลวงพ่อก็รู้แล้วว่าใช่แล้วใช่แล้วก็ ข, ขึ้นไปไต่เต้าไปไปลายก้อนหินไปอะไรไปนะหลวงพ่อก็เลยตรงเด็ดขาดบอกว่าที่ตรงนี้ใช่แล้วทุกอย่งทุกอย่างทําไปตามนิมิตนั้นเหมือนกับว่ามีโคดนะให้เราทําทําไปอย่างนั้นทําไปทำไ ป, ำไปเอาที่เดินจงกลมเพราะเราไม่มีงานมากนี่นี่ก็งานอย่างเนี้ยตัดถนนทางทางเดินอะไรตัดอ เดินเดินจงกรมตัดตัดแต่แล้วก็เดินจงกรมมาถึงกันส่วนมากก็จะมากระชิบที่หูซ้ายมีคนมาแล้วใครเนะ่ยคนที่พูดไม่รู้อยู่ตรงไหนมีคนมาหลงพ่อพก็ไม่ได้หาต้นเหตุหรอกว่าใครเป็นคนพูดที่หูเนี่ยก็ดูโอ้โหมีคนมานั่งอยู่จริงๆก็ถามโยมมาจากไหนมาอยู่ที่นี้อยู่ที่ปัตตานีอยู่ตรงโน้น โยมมาทําไมมีทุระอะไรเอได้ยินข่าวว่ามีพระมาจากถวนโมกเลยจะมาตั้งจานักที่นี่ก็เลยมาหาท่านแล้วใครแล้วใครเนี่ยยเนี่ลองคิดดูดินี่วิญญาณวิญญาณที่นวิญญาณก็แฉ่งหาอยู่แฉ่งหาที่ที่จะทําให้ชุงขึ้นไปชูงขึ้นไปชูงขึ้นไปนี่วิญญาณเทพ แกตาวิญญาณผีนะี่ไอ้นั่นเละเอะเทอวิญญาณผีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นพวกวิญญาณผีที น, นี้วิญญาณผีเที่ยวหลกเที่ยวร้อนเที่ยวนี่เหมือนที่หลวงพ่อโดนเมื่อคือนนี่แหละจะกินจะอรอยจะกินไม่มีใครตั้งให้ต้องต้องการที่จะกินนั่นแหละแต่ไม่ได้กินมันพูดไม่ได้อะไรไม่ได้นี่คือตายแล้วเกิดแล้วก็ตายแล้วศูนย์ มิจฉาทิฏฐิทั้งสองอย่างนั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดก็จะต้องเกิดให้เป็นคนเกิดเป็นคนนี่มันแหนที่จะยากพอเกิดแล้วมันมาติดนั่นติดนี่ติดโน้นยึดมั่นถือมั่นเทียเอาจบอีกไม่ได้เรื่องได้ร้าวอีกทีนี้เกิดกันไม่ไหวไม่ไหวเกิดแล้วเกิดอีกนี่คือเกิดทางเนื้อหนังแต่ที่เกิดจริงๆที่เรารู้ก็คือเกิดความรู้สึกว่าตัวกูเราต้อง ปฏิบัติให้ตัวกูเนี่ยมันค่อยๆหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไ ป, ออกไปจนวิญญาณ น, นั้นเป็นวิญญาณที่รู้แจง้งออืวิญญาณรู้แจง้งรู้อะไรรู้ว่าตัวเองวิญญาณเกิดดับว่างจากตัวตนวิญญาณ น, นี่ก็เป็นธรรมชาติวิญญาณที่เกิดดับว่างจากตัวตนเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้รู้เกิด รู้ดับยังไม่พอต้องรู้ว่างด้วยรู้เกิดรู้ดับรู้ว่างรู้เกิดรู้ดับรู้ว่างเห็นไหมทีนี้รู้ตัวมันเองว่าตัววิญญาณเองก็ว่างตัวรู้นี่ก็ว่างแล้วสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้นั้นก็ว่างตกลงว่านี่ก็ว่างอันนั้นก็ว่างว่างหมดหลวงพ่อเลยทําโคดเชื่อเนี่ยเขากำลังทําเชื่ออยู่ จะแจกเชื่ออีกอ่ะบอกลูกศิษย์ว่าเออทำสามร้อยพอไปไปมามาเพิ่มกันก็ไปปันตัวอู้บอกหยุดหยุดธุปกิจหยุดหยุดหุดหุโอเคนั้นพอทาําโคตรสี่บวกสามเท่ากับศูนยนี่ทำยังไงอ่ะก็มันอ่อนเลขนี่อ่อนเลขเ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ทีนี้เลยเฉลย์ข้างหลังจะเลย์ข้างหลังก็คือสี่คืออันนี้สัดสี อริยสัจสเราทำเป็นสี่เหลี่ยมสี่สาระลัษฐนาตรยัยสามเหลี่ยมสี่บวกสรู้อริยสัจสในอริยสัจสี่นั้นมีเกิดดับนะเหตุทุกเหตุได้เกิดทุกความดับทุกหนทางให้ถึงความดับทุกเอามาสามเหลี่ยมประลัตฐนาตรยัยพระพุทธเจ้าว่างประธรรมเรียกว่าโคตรว่าง พระอารียส่งว่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บวกแล้วได้ศูนได้ศูนคือว่างวงกลมเป็นโหนตั ญ, ญลักษณ์เพราะฉะนั้นสี่บวกสามได้ศูนย์ว่าคนอ่านข้างหน้าอร่อยสี่บวกสามได้ศูย์ทําม่อ่อนคำนวณถึงขนาดนี้นะแล้วก็เฉลยข้างหลังนี่กาลังทําอยู่เห็นไหมมันสนุกกลยหลวงพ่อทำสนุกให้มันส น, น, น, น, น, นุกนี่ ก็เลยทำเชื่อแล้วก็มีบุกมีอะไรด้วยอะไรก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกโยมไม่ต้องโยมไม่ต้องก่อยว่ากันตีหลังนี่ไม่ต้องหรอกนี่คือหลวงพ่อพูดมากแล้วเชื่อพูดมั่งเวลาใกลใส่เชื่อนี้ไปเชื่อมันพูดมั่งให้พูดธรรมะมั่งว่าเออดูก้างหน้ามันเป็นอย่างนี้ดูก้างหลังมันเป็นอย่างโน้นดูข้างหลังอย่างนี้ดูก้างหน้านี้ก็จะได้รู้โอ้นี่อะไร ให้เขาสงสัยว่านี่มันอะไรเห็นไหมแค่นั้นวิญญาณวิชากับวิญญาณอาวิชาไม่เหมือนกันรวนวิญญาณผีสางพวกเปรตพวกอาุ ร, รกายระกตนั่นวิญญาณที่ต่ำต่ำเตีย้ยวิญญาณที่ต่ำเตีย้ยไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยวิญญาณนั้นมีแต่ความยึดมัน่นถือมั่นอย่างเดียวโอ้ยเป็นยังไงที่เขา อ่าไปพบทองที่ไหนต่อที่ไหนแต่ที่ปัตตานีเขาไปพบ ท, ที่เขาใจสนไปขุดขุดขุดขุดเราจะสร้างสวนปามไปพบทองอ ى, พอปพบทองก็ดีใจเอากลับบ้านเงินปันเอากลับบ้านกั น, นเอากลับบ้า น, นเท็่แล้วโอไม่ยอมไม่ยอมฉันไม่ยอมของกูของกูของ ก, องกูเห็นไหมยังยึดมัน่นถือมันอยู่ของกูของกูทีนี้เข ก, ก็พิสูจน์ พอกองกูกองกูไปอยู่ไม่ได้เลยทีนี้ไปก้าวขวัญเข็ไปอย่างนั้นอย่างนี้นนี่เขาจะเอาคืนเ็จะเอาคืนเสร็จแล้วทางการเขารู้เรื่องเขาก็มายึดยึดแล้วก็มาพิสูจน์ให้สูนร์ว่า น, นี่เมื่อก่อนมันก็กล่องเรือล่องเรือมาล่องเรือมาจะาเอาทองนี่ไปสร้างพระธาตุที่นครศรีธรรมราช แต่ว่าที่หน้าวัดหลวงพ่อจนถึงโขเจอจนถึงนูนแหละมันเป็นทะเลทั้งนั้ น, น เ, เป็นทะเลเทั้งนั้นทะเลน้ําเค็มอะเป็นทะเลน้ําเค็มทีนี้ร่องเรือมาก็เรือจมเรือ ล, ล่มเรือล่มก็ตายทั้งคนทั้งเรือไปไหนไม่รอดคว้าวทองอยู่นั้นวิญญาณ น, นั้นมันไปไหนไม่ถูกเห็นไหมไปไหนไม่ถูกก็เลยคว้าวทองไอ้กองกูกองกูก้องกู แต่มันอะไอาอะทองแนตะ่มันก็เล็กไปความมันทําม้ยอยโยมอย่าพอพอไปเห็นทองแนะล้วตาอรูปโปร่งอย่างนู้นเล็เล็กเล็ ก, เ ล, กเล็กบอกมันบอกมันว่าเล็กเล็กเล็กอ่ อ, อนๆ อ, อ, อะไรนะ่ะเววนะเพชรไม่ใช่หินหินหินว่ามันว่หินหินห น, นี่เห็นไหยหินลูกปัดนะั่นะหินหิ น, นทีนี้ไปเมืองจินไม่ได้นะหินปลอมมีเยอะแต่มันขายของปลอมดังนั้นเลยหินปลอม รปลอมเนี่ยมันปลอมทังนั้นมันเอามันตำตำตำตตำก้าวเวว้เวว้าหินปลอมไม่ได้เนี่ยทีนี่เวลาเราเห็นทองเหล็กสีเหลืองมันอ่อนแตทําเป็นอะไรก็ได้เป็นสร้อยคอเป็นสร้อยข้อมือเป็นอะไรได้หมดเป็นตุ้มหมูอ่าเสร็จแล้วก็เอาก้อนหินนั้นไปใส่ก้าวเจอิญในก้อนหินเนีมันเวว้าเวว้าก้าวเแริญก็หลอกพวกเราอีกโอ้นี่เห็นไหม แด้ทำไมเราไม่ปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ปฏิบัติธรรมเรายิ่งโง่อยู่อย่างนั้นแหละเห็นเหล็กเป็นยึดมั่นถือมั่นเห็นเหล็กสีเหลืองก็ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นเหล็กสีขาวก็ก็ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นก้อนหินสีเวววาวาหลายสีมันมันมาจากไหนเพราะมันเวาวาหมดสะท้อนแสงที่ดวงอาทิตย์มันมีทุกสีแหละ มันก็อนจะแทนแสงจะตอนแสงเป็นสีนั้นสีนี้สีโน่น อ, นอู้สวยสวยสวยสวยสวยก่อนลิเกชัดๆนั่นแหละเช่นไหมลิเกชัดๆมันไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วลไอ้ความโง่เนี่ยมันว่าของกูของกูของกูพอชื่อมาแล้วอะไรแล้วของกูของกูของกูนี่แหละหลงทางนั้นโมหะโมหะนี่คือตัวโมหะพอรู้จริงเหรอเออมึงมาทาอะไรกูไม่ได้ไกูไม่เอาเหมือนกไม่เอามเหมือนหนักกเปล่า แต่เมือเราใส่แหวนเพชรอย่างเนี้แหวนเพชรเอาเนื้อออกให้หมดเหลือแต่กระดูกนี่นิ้วมือเหลือแต่กระดูกสวยไหมเนี่ยมันสวยมไหมเห็นไหมนี่เอาแหวนใอ้ผีจัดๆเลย ท, ท, เลเที่นี่แต่เล็กโอทัลโอมาที่นี่ไอ้ข้างล่างก็เป็นเพช ร, รประดับเรียบร้อยแต่ไม่มีเนื้อคอไม่มีเนื้อมีแต่กระดูกแหวนไอ้ผีจัดๆเลยอย่างนี้มันสวยที่ไหนเห็นมันสวยเลย แต่ก็อันตรายด้วยมันไม่ได้นี่ใส่ถึงแม้จะใส่เป็ดปลอมก็ยังยังโดนโดนตกไปเสร็จแล้วมันก็มาตกซ้าอีกอีนี่ไม่รู้จักของจริงเอาของปลอมมาให้กูจนมาตกให้หลุดเลยสองครั้งเราก็เจ็บตัวฝีแหนมหมนี่แหละอย่าไปหลงอย่าหลงอย่าหลงฉะนั้นไอ้คำว่าพอดีพอดีเนะี่ยมันพอดีทีนี้ในเรื่องของวิญญาณเนี่ย วิญญาณเือตัวความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นอวิชาก็ได้ความรู้สึกที่เป็นวิชาก็ได้ต้องแยกไ้ออกแยกไ้ออกความรู้สึกที่เป็นวิชารู้ตามความจริงรู้อะไรรู้ตัวมันเองว่าวิญญาณเองเกิดดับว่างจากตัวตนนี่รู้วิชาวิญญาณเกิดดับว่างจากตัวตน เพาว่างจากตัวตนเนี่ยมันมีปัญญาแล้วมีปัญญามีวิญญาณเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามารูปมันก็เห็นนามารูปทีนี้มันก็เห็นนามารูปเห็นเห็นแจ้งก็เรียกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นนามารูรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงจังการไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงมันเกิดดับเลื่อน รูปนี่ก็เกิดดับเรื่อยเวทนาความพอใจไม่พอใจเฉยๆเกิดดับเรื่อยความพอใจเกิดดับความพอใจที่ม่อคืนนั่นแหละที่พูดนั่นที่เรียกว่าเวทนานะพออ ะ, อะไรเรียกว่าอพอใจอพอใจแล้วก็ยินดียินดีแล้วก็อยาก น, นี่สามตัว พอใจยินดีอยากได้พอใจยินดีอยากได้นี่วิญญาณอวิจาเจนีวิญญาณวิชารู้ตามความเป็นจริงรู้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาวางจากตัวตนเวทนาความพอใจไม่พอใจเฉยเฉยพอใจทําไม่เกิดราคะไม่พอใจทําไม่เกิดโทสะ พอใจก็ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่ใช่โง่ทําไม่เกิดโมหะนี่สามตัวนี้เลยสามตัวนี้ทําให้เกิดราคะแตาไม่เกิดโทชาทําไม่เกิดโมหะนี่คือวิญญาณอวิชชาทีนี้ถ้าวิญญาณวิชชาความพอใจก็เกิดดับความไม่พอใจก็เกิดดับพอใจก็ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่ใช่โมหะนี่ยมันก็เกิดดับว้างกว่าตัวตนทังนั้น เห็นเกิดเห็นดับเห็นว่างเห็นเกิดเห็นดับเป็นว่างเห็นเกิดเห็นดับเป็นว่างทีนี้ถ้าวิญญาณนั้นเป็นอวิชชาพอเป็นอวิชชาแล้วเข้าไปยึดมั่นถือมั่นวิญญาณโง่นั่นแหละเข้าไปยึดมั่นถือมั่นรูปเป็นกูรูปกายนี่เป็นกูเป็นของกูรูปเป็นกูเวทนาเป็นกูความพอใจไม่พอใจเป็นกูสัญญาเป็นกูสังขารเป็นกูวิญญาณเป็นกู เป็นกูเป็นของกูหมดเพราะวิญญาณโง่นี่มันเริยมีแต่กูของกูมีแต่ตัวกูกับของกูทีนี้ว่าวิญญาณที่เป็นวิจารอ่าเป็นวิชาแล้วตัดตัดอะไรออกคือรูปปัฏฐ า, านักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนา สัญญาอุปทานนักขันโทสัญญาความจำความมั่นหมายที่ถูกยึดมั่นถือมั่นเป็นกูเป็นของกู่สังขารวิญญาณอุปทานนักขันโทวิญญาณคือความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูอุปาทานอยู่ข้างล่างอุปท า, านอยู่ข้างล่างหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปอุปทานนัก กันโทป่าดูปูปาทานนักกันโทนั่นคืออุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมัน่นนี่นั่นคือวิญญาณโง่วิญญาณอวิจาร์ก็ไปยึดมั่นถือมันตัวเองกาไปยึดมั่นถือมันรู้ยึดมั่นถือมันเวทนาทัญญาตังการวิญญาณนี่เสร็จแล้วเป็นยังไงพอวิญญาณวิชาเกิดรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาตัดอุปาทานออกไป รูปก็ทําหน้าที่เวทนาก็ทําหน้าที่สัญญาถังการวิญญาณทำหน้าที่าา ท, ทํญญาหน้าที่ด้วยสติปัญญาด้วยการไม่ยึดมั่นถือมันรูปคือร่างกายนี้ร่างกายคนอดิมเราก็ทําหน้าที่ไปทําหน้าที่ไปเรากินให้ร่างกายให้มันคงอยู่ได้กินเพื่อความตั้งอยู่แห่งร่างกายนี้แล้วก็เราก็มีสมองมีอะไรต่ออะไรก็ทําหน้าที่กันไป แต่ทำหน้าที่ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมัน่นจะสวยหรือไม่สวยจะรวยหรือไม่รวยมันสุดแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าเราขยันขยันทําขยันใช้ขยันเก็บแต่ว่าไม่ขยันใช้ไม่รู้จนจนมากจนเหลือได้อย่างนั้นมันก็เป็นหนี้ก็ดีอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมก็ฉลาดก็ฉลาดในทางโกงอก็ เ, เลยโกงเราแล้วพกเข้า ที่ไหนพก้าที่ศูนย์การคายแล้วก็รูดรูดรูดรูดมารูดจนปล่อยนูน่นบานปลายเลยเงินเดือนไม่พออี่มันก็มีแต่รูดนั่นคือวิญญาณวิชามันก้าวตนานะัณหาเนี่ยมันเป็นตนัณหาเป็นตัณหาแล้วนี่เพราเราก้าไปยึดมั่นถือมันฉะนั้นเราตัดออกตัดอุปาทานความยึดมั่นถือมันออกเลอแต่รูปเวทนาจัญญาจังการวิญญาณที่เป็นธรรมชาติ ที่เป็นธรรมชาติคือเป็นวิชามันเป็นปัญญาขึ้นมาเนอ่าเดี๋ยวมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ตรงนี้แหละนี่เรื่องมันที่ตรงนี้แหละอยู่ที่โง่กับฉลาดนะทีนี้ไอ้ฉลาดโกงนั้นก็ไม่ได้ก็เรียกว่าเจโกฉลาดเจโกปัญญาเจโกอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยต้องฉลาดด้วยมีเหตุมีผลแล้วก็ไม่ทุกข์ด้วยต้องไม่ทุกข์ด้วย ถ้ามีเงินมีทองมีข้าวมีของเก็แีแล้วโง่ก็ยึดมั่นถึงมั่นจนตายตายแล้วก็ไปค้าอยู่อีกโอมันน่าสงสารโง่จนตายตายแล้วก็ยังไม่หายโง่เห็นไหมยังไปคฝ้าอยู่อีกนั่นเลนั่นคือวิญญาณโง่แต่มันแล้วเมื่อไหร่จะได้เกิดดีก็ไม่รู้ไม่รู้นี่นี่เรามันบุญไม่รู้ขนาดหน่อยแล้วเกิดมาเป็นคนแล้วก็ยกระดับจิตให้เป็นมนุษย์ แล้วก็มาหาธรรมะเพื่อที่จะดับไอ้วิญญาณตัวนี้ให้มันเป็นวิญญาณที่ฉลาดไม่เป็นวิญญาณโง่นี่ไปเป็นวิญญาณผีสางอะไรต่ออะไ ร, อ, ะไรอยู่ไปโง่อยู่อย่างนั้นตายเสียชาติเกิดได้ที่เกิดมานี่เสียเสียชาติเกิดไปทีหนึ่งเนี่ยเรียวกว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนี่คือตายเกิดทางเนื้อหนังแต่ว่าไอ้ตายเกิดทางจิตจะไม่ต้องพูดถึงพอถึง ยึดมันถือมันทีหนึ่งก็ตายทีหนึ่งทุกทีหนึ่งตายทีหนึ่งทุกทีหนึ่งตายทีหนึ่งทุกทีหนึ่งนั่นนั่นคือเกิดทางจิตใจอันนี้คือเกิดทางเนื้อหนังไอ้ที่พูดนี่วิญญาณ น, นั้นเนี่ยมันเข้าไปแล้วก็เกิดทางเนื้อหนังพอมีรู ป, ม, รปมีร่างมีหน้าตาขึ้นมาแล้วมีวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วแต่ว่าวิญญาณที่เป็นวิจารมันก็ามารครอบครอบเราวก็ค่อยๆแก่ออกแก่ออกแก่ออกจน เกิดวิญญาณตัวจริงขึ้นมาวิญญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเลือกความยึดมั่นถือมั่นพอเลือกความยึดมั่นถือมันขึ้นมาเป็นยังไงทีเนี้ก็เป็นนั้นว่าขันหน้านั้นเป็นขันหน้าที่บริสุทธิ์เรียกว่าบาริบสุทธิ์ขันบริสุทธิ์ขันพอเป็นบริสุทธิ์ขันแล้วก็คนนั้นก็เป็นอะไรทีนี้ก็ไม่ไม่รู้เรียกว่าเป็นอะไรก็ไม่ยึดมั่นถือมันมอย่างเงี้ยเขาบาเลยไม่แบก ไม่หาบไม่หามไม่ทูล น, นี่นี่แบกหามทูนกันอยู่ไม่ใช่ทูลบนหัวไม่ใช่แบกที่บ่าแบกที่จิตมีลูกออกมาไว้ตรงนี้มีหลานกอมาไววตรงนี้มีทรัพย์สมบัติออกมาไว้ตรงนี้ ม, มีตัวกูออกมาไว้ตรง น, รงนี้แบกที่ตรงนี้ที่จิตทางนั้นเลยนั่นคือวิญญาณโง่ ที่มันข้าวไปยึดมันถือมันปล่อยวางมันปล่อยทิ้งมันปล่อยทิ้งมันปล่อยเอากูใช้มึงมีเงินขึ้นมาโอ้จําเป็นดีต้องแช่ก็ไปเบิกเอามาใช้เพื่อจะจะแลกเปลี่ยนแต่ว่าเงินนี่มันอะไรเอามานั่งเพ่งดูดิดูดูดูก็ทํามาจากอะไรเงินเป็นอะไรแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์อะไรนี่พอมีเงินมีทองามาไว้บนหัวน่ยมันโง่บัลลังก์โง่ ถึขนาดไหนนั่นแหนนนน 5, 000, 000ล ะ, ละา ม, ามันรวมาโง่เออนี่ได้เท่านี้ได้ห้าแสนเนได้ล้านว่าล้านเนี่ยสิบล้านสิบล้านไม่พอใจสิบล้านร้อยล้านพันล้านโง่เวลาลงมาโง่มันบ้าจนตายดีเห็นไหมมันเกิดมายึดมั่นถือมั่นมันก็บ้าจนตายเลยอย่างนั้นไอ้ตายแล้ววิญ ญ, ญาณไปมําก็งโง่อยู่อย่างนั้นนี่มันเป็นวิญญาณโง่ฉะนั้นเราทําให้วิญ ญ, ญาณ น, นี่ฉลาดเราเกิดมานี่ธรรมชาติมันให้โอกาสเราไม่รู้ขนาดไหน เราอย่างโง่กันอีกต่อไปปฏิบัติไย ป, ปฏิบัติไยขัดเกลี่ยไปภาวนาไปอะไรไปพิจารณาไปมีสองอย่างคือภาวนาแล้วก็พิจารณาภาวน า, า, วนาแลยก็พิจารณาวา่างว่างว่างว่าอ๋ อ, อมันยังไม่ถึงไม่เป็นไรอ่านิจยังเป็นยังไงก็ต่องอ่นิตจังอ่านิตจังอ่นิตจังอ่านิจยัง ทุกข al ังเป็นยังไงมันมาจากไหนอนัตตาคืออะไรไม่ใช่ตัวกูแต่นี่มันตัวกูแล้วนี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะตัวกูอ่ะนี่ตัวกูแล้วทำไมบังคับมันไม่ได้เลยแก่ก็บังคับไม่ได้เจ็บก็บังคับไม่ได้ตายก็บังคับไม่ได้ผมงอควันหลุดแล้วก็บังคับมันไม่ได้แล้วกูอ่ะนี่กูอ่ะแต่กูมัต้องบังคับได้นี่บังคับไม่ได้เลยแล้วมันของใครก็ของธรรมชาติไม่ใช่ของกูมันของธรรมชาติก็ของยืมก็ยืมใช้แล้วทําไมไม่คืนก็ล่ะ นี่เกิดมาโกงอะไนี่โกงโกงโกงตลอดชาติว่าอย่างไงกันทีนี้ก็เลยมีความทุกข์นั่นแหละเพราะหนุ่มสาวก็มีความทุกข์แก่ก็มีความทุกข์ยังไม่ตายแล้วทุกข์ร้องหน้าแล้วยังไม่ถึงเวลาตายเลยทุกข์ร้องหน้าพรคิดถึงความตายทุกข์แล้วนี่เอามาไว้ตรงนี้ทางนั้นเนี่ยเคือใครวิญญาณโง่นั่นแหละคือวิญญาณโง่ฉันั้นสายดับเนี่ยเพราะ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 คนนั้นอยูดย่ด้วยชีวิตที่อยู่ที่เหลือนี้เนี่ยด้วยความสงบเย็นก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นทำอะไรก็อยากคิดแต่ว่าของกูของ ก, ของกูของกูต้องเพื่อผู้อื่นด้วยเวลาปลูกต้นไม้จากต้นหนึ่งนท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธตาท่านบอกว่าให้ท้องกาถาว่านก นกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานนี่นกกินนกมา ก, กินอ่ะเป็นบุญแล้วคนกินนี่เป็นทานนี่ให้ ไ, ไปอย่างนั้นเนี่ยเขาปลูกต้นไม้ทีนี้เราปลูกของกูของกูของกูของกูงกงกงกไปทำรารธรรมชาติคนปกากใต้นูไปถึงจังหวัดเลยนูไปถางป่าถางดงไปปลุกลูกป่าแล้วก็ไปปลูกยางพาราเห็นไหมแล้วเป็นยังไงทีนี้ มันก็ได้ผลนได้ผลอะไรรัฐบาลยึดหมดนี่ได้ผลไปทำลายป่าไปทำลายป่ากันไม่รู้จักเท่าไหรแล้วไม่ว่าปากักใต้ภาคเหนือภากคกลางเลยมีแต่ทำลายทำลายทำลายไม่รู้จักว่าเราเป็นธรรมชาติเราอาศัยธรรมชาติเราต้องอยู่กับธรรมชาติและธรรมชาติทุกอย่างต้องสมดุลกันถ้ามันไม่สมดุลขนก็ไม่ตกความชื้นไม่พ อ, อนี่ มันเรื่อวะก็เปลี่ยนแปลงหมดนี่แค่นั้นธรรมะไม่ใช่อยู่ในวัดทีนี้ถ้าไปพูดนะักกันเมือเอ้ยลาสมัยไปพูดอะไรอย่างนั้นบวชแต่มึงบวชอย่างนั้นเลยอย่างนั้นต่างนั้นเลยเห็นไหมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันก็ยังไม่พอตัวกูตัวกูตัวกูวกเป็นตั้งแต่สสเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นั้นก็เป็นจนถึงสสเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นเพื่อใคร เพื่อตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อเพื่อนมนุษย์มากกว่าตัวเองทําประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์ทําให้เพื่อนมนุษย์ทําแล้วใครมเป็นจนตายและอย่างเนี้เห็นไหมเพราะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นใครๆก็กดเลือกทั้งนั้นนี่พอใครเป็นก็กองโกงโกงโกงโงกองกูของกูของกูไม่รู้ปักไหนข้าไว้กดเป็นทั้งนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นของกูของกูของกูกันทั้งนั้นหลวงพ่อพูดตั้งแต่ขอาดไป ตั้งแต่ยิ่งรักยังไม่เป็นนายกตอนนี้วันรองวันก็จะเป็นกันแล้วนะว่าพูดที่มหาวิทยาลัยราชมงคลทิศที่กรุงเทพแล้วก็พูดที่เชียงใหม่ผู้ใครก็ตามเนี่ยพอเลือกแล้วพักไหนก็ตามไม่ว่าพกรกวลังไทยหรือพรักประชาธิปัตย์ถ้าใครเป็นนายก ร, ารัฐม น, นรตรีแล้วพยายามที่จะนําพว ก, กพักพวกอะไรให้เข้าวัดเข้าวา่าปฏิบัติทํากันมั่ง นี่ไม่เชื่อไปควางดูก็แล้วกันเพราะว่ารู้ถึงขนาดนี้นี่ไม่กลัวเรื่องอย่างนี้แหละนี่มันต้องจริงกันไม่มีใครยุ่งหรอกไม่มีใครสนใจของกูของกูของกูนีแล้วทีนี้ทําชั่วแล้วคิดว่าจะปิดไม่ปิดไม่มิดความชั่วนะปิดไม่มิดไม่ว่าพักไหนหรอกไม่ว่ากวายค้าหนี้กว่อรัฐบาลปิดไม่มิดความชั่วทําดีก็ได้ดีทําชั่วได้ชั่วได้ทั้งนั้นแต่ว่ายังไม่ปรากฏ แต่มันจะปรากฏอยู่ในจิตของตัวเองเนี่ยกูกูเนี่ยไปโกงกูมาตานั้นตาวนั้นโกงอันนั้นอันนั้นเนี่ยมันจะถึงวันหนึ่งมันก็จะโผลูออกมานั่นเนี่ความชั่วดังนั้นทําดีก็ดีทําชั่วก็ชั่วดีถ้าเราปฏิบัติทําดีก็มายึดมั่นถือมัน่นชั่ว่ยิ่งยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ใหญ่เลยนี่เราไปยึดมั่นถือมั่นชั่วก็อย่าเอาเลยละชั่ว ทำดีก็ไม่ได้ห้ามให้ทำละชั่วทำดีแต่แต่แล้วดีนั้นก็ไม่ได้ออกมาแบกและชั่วทำดีแล้วทำจิตใจให้สะอาดคือเลิกความยึดมั่นถึงมันแม้แต่บุญนี่ถ้าเราทำบุญเราก็ไม่ยึดมั่นถึงมันทำบุญเพื่ออะไรเพื่อผู้อืน่นเพื่อผู้อืน่นช่วยเหลือผู้อืน่นเพระนั้นหลวงพ่อจึงช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือโดยการพูดอย่างนี้ช่วยเหลือทางวัตถุ นี่หลวงพ่อก็ช่วยเหลือเครื่องช่วยหายใจนี่สามเครื่องแล้วที่ปัทรุงสองเครื่องลานสองแล้วก็มีเตียงก็ไปอีกอะไรอีกแล้วที่ชนบุรีนกหนึ่งเครื่องแล้วก็เตียงอีกอะไรอีกนี่ก็ช่วยคิดว่าถ้าธุรกิจดีๆอะไรขึ้นมาหลวงพ่อยังไม่ตายนี่จะช่วยเหลือเขาเอกเพราะว่าเตียงไม่พ อ, อเครื่องช่วยหายใจไม่พอที่ที่โรงพยาบาลสมเด็จที่ชนบุรีนะั ก็ยังคิดอยู่ในใจทำเลขในใจไว้ก่อนตอนนี้ก็ว่ากันทีหลังทีนี้เรื่องธรรมะนี่ต้องช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยนี่ต้องช่วยนี่ต้องช่วยไม่ใช่ช่วยคนรวยต้องช่วยคนจนไม่ต้องช่วยไม่ใช่ใครก็ได้ที่มีความศรัทธาในการปฏิบัติตามหลวงพ่อจะต้องช่วยทางนั้นนี่เป็นหน้าที่หลวงพ่อนี่เป็นหน้าที่ ก็เรารับหน้าที่มาจากพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ที่ท่านเป็นรุ่นพ่อรุ่นพี่รุ่นอะไรเนี่ยคนรับคนต่อต่อต่อต่อต่กันก็ต้องช่วยช่วยช่วยช่วยนี่ต้องช่วยอย่างนี้ถึงในวงแคบก็ช่างมันเกิดมาชาติหนึ่งช่วยได้คนก็อย่างดีดีกว่าไม่ช่วยนี่ก็ต้องช่วยกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะนี่ธรรมะนี่ เร่ยกว่ามันช่างที่จะลึกมันช่างที่จะเรียกว่าช่างที่จะลึกซึ้งอะไรถึงขนาดนั้นเหตุนั้นเราเกิดมาชาติหนึ่งอย่าให้เสียชาติเกิดอยากโยนทุกๆุกท่านนั่นแหละขอบอกเอาไว้ว่าให้ไปทําการบ้านนะไปทําการบ้านด้วยการภาวนาพิจารณาอยู่บ้านเราก็ต้องเดินเราก็ต้องยืนเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องนอนเราก็ต้องทํางาน เราก็ภาวนาไปเยภาวนาในใจนะั่นทางานไปพร่างปฏิบัติธรรมไปพรางนี่ทีนี้ก็คนมากถ้าเราทรําโรงงานอะไรอย่างนี้ก ร, กระทบกระทั่งกันอะไรกันมันเราก็ต้องไม่ใจกลัวไว้ถ้าไม่ใจกลัวไว้สบายไม่ใจกลัวไว้มันทันกับเวลาไม่ใจกลัวเลยต่อไปก็ว่างว่างว่างว่างว่างว่างเดี๋จะเห็นเกิดดับว่างเกิดดับว่างได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นไม่จํากัด สุดแล้วแต่ว่าระดับขั้นตอนของชั้นนั้นๆเหมือนเราเรียนมาปหนึ 1, ่งปสองปสามปสี 4, มันจะไม่เหมือนกันจนถึงมัธยมหกจนถึงไปเรียนปริญญาเลยมันค่อยๆ ย, ยกระดับยกระดับขึ้นมานี่จนถึงว่างเนี่ยว่างก็ น, นั้นหัวใจของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เนี่ยหัวใจของท่านอยู่ที่ตรงนั้นหัวใจของพระอรหันต์ทุกๆ ท, ท่านก็อยู่ที่ตรงนั้น แนั้นเราอยากได้หัวใจของท่านเราก็ต้องปฏิบัติเอาหัวใจของท่านนั้นมาใส่ในจิตใจของเราให้อวิชชานะี่มันหายไปแล้วเราก็สบายทีนี้เราสบายคนเดียวมันไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นให้สบายด้วยนี่มันจึงจะคุ้มที่เราเกิดมาเป็นคนยกกิตให้เป็นมนุษย์เต็มบริบูรณ์ด้วยติตปัญญานี่เรียกว่ามันก็จะจบไม่อย่างนั้นชีวิตไม่จบ ตายแล้วก็ยังไม่จบเป็นไมแก่ได้ร้อนต้องอะไรไม่มีอะไรกินอยากจะกินก็ไม่ได้กินอยากอะไรก็ไม่ได้เพราะตัวเองไม่ได้ทําบุญไม่ได้อะไรมาทีนี้บุญมันก็ยังไม่พอการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงเอาพูดถึงทําไมไม่ไปบวชเลยะทําไมไม่ไปบวชเลยะไม่บวชก็ได้ไม่เป็นอะไรปฏิบัติได้จบปฏิบัติได้ทางนั้นขอให้ทุกทุกท่านเนี่ย ตจงขยันหมั่นเพียรในการฟังในการปฏิบัติในการภาวนานี่อย่าลืมทุกคําเช้าข้าวนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บนั่งภาวนาทันทีเลยไม่ต้องล้างหน้าล้างตาไม่ต้องไม่ต้องอนั่งทันทีเลยนั่งภาวนาพิจารณาให้เสร็จข้าวห้องน้ำหองถ่ายต่อไปก็พิจารณาไปนี่อันนี้อย่างนี้อันนี้อย่างนี้อยนี้อย่างนี้ อย่ากล้าไปยึดมั่นถือมันมันอยู่ที่นิดเดียวนี้ถ้าย่อแล้วนิดเดียวมีพระรูหนึ่งไปกราบจูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์บัญญายมาเยอะแยะเต็มไปหมดต่พระพุทธศาสนานี้ย่อๆนิดเดียวได้ไหมพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าได้พระองค์เลยว่าเจอความไรดีสัพเพ ธ, ธรรมนาลังอภินิเวสายะ สิ่งทั้งปวงก็คือทั้งหมดแต่ทั้งปวงนี่คือทั้งโลกทั้งจกกักรวาลสิ่งทั้งปวงอันใครใครไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถื่มันว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนนี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนามีอยู่แค่นี้สิ่งทั้งปวงอันใครใครไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนว่าเป็นตัวกูว่าเป็ น, นของกูอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไร อาศัยได้กินได้ใช้ได้จ่ายได้อะไรได้แต่อย่าเข้าไปยึดมั่นถึงมันมีเท่านี้หละนี่คือหัวใจของพระพุทธศ า, าสนาจัปปีธรรมานาหลังอปินิเวสายะจึงทั้งพวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนการบรรยายในพระเจ้าก็เห็นว่าสมควรแล้วขอยุติการบรรยายโอไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความจุกความเจริญในธรรมจงเกิดมีกัญาติโยมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจองทุกทุกท่านตื่น